การอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งบอกได้ว่ามีผลของกรรมที่จะต้องรับอย่างไรว่าไปแล้วเกือบทุกคนในโลกนั่นแหละที่จะต้องเคยอยู่ร่วมกับคนประเภทขี้งุดหงิดง่ายและมีวาจาเสียดแทงสะท้อนว่าเราก็เคยทำกับใครบางคนหรือลหลายคนมาแบบนี้เช่นกันไม่อย่างนั้นไม่มีทางเจอหรอก ที่เราตั้งความคาดหวังกับตัวเองว่าอยู่ใกล้กับคนขี้งุนงิบทแล้วเราจะไม่ได้รับความกระทบกระทั่งทางใจหรือเราจะไม่พลอยงุนงิบ ต, ตามนี่อันนี้ไม่ใช่วิสัยเป็นการตั้งเป้าผิดผิดซึ่งเราจะไม่มีวันสมหวังแต่ถ้าตั้งเป้าไว้ว่าการอยู่กับคนขี้งุนงิบทจะเป็นแบบฝึกหัดให้สังเกตว่าใจของเราปลอยร้อนรนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาได้ขนาดไหน ความร้อนแบบนั้นอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเราสังเกตอยู่เรื่อยๆทุกวันเราจะพบว่าสติที่เราสังสมใช้ไปในการสังเกตจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเอาอะไรมาวัดความแก่กล้าเอาความสังเกตเห็นโทสะเห็นความหงุดหงิดเห็นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั่นแหละจะเห็นว่ามันอยู่ได้ในระยะเวลาที่สั้นลงเรื่อยๆ หรือความสามารถสังเกตใจของเราได้ออกในระหว่างโมโ oh หว่าจิตของเราไปผูกไปยึดเก็บมาคิดต่อเก็บมาขัดเคืองมากน้อยเพียงไรพูดง่ายๆว่าสังเกตเห็นอาการผูกพันทางใจของเรากับเสียงหรือว่าสีหน้าของเขาถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราอยู่ใกล้คนที่มีแต่โทสะมันทำให้เห็นทั้งความม่เที่ยง และเห็นทั้งอาการผูกของใจเรากับสิ่งร้อนร้อนเปลี่ยนไปได้เรื่อยเรืความขัดเคืองนั้นจะแสดงทั้งความไม่เที่ยงแสดงทั้งความไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนออกมาชัดขึ้นทุกทีเมื่อได้ปัญญาได้สติอยู่กับตัวเราเองในที่สุดจะนึกขอบคุณเขาขึ้นมาในวันหนึ่ง